หากหมีรถไฟบนฟ้าข้าบันหนึ่งวิ่งไปทั่วสุริยามันก็คงจะดีนะไปด้วยกันเธอที่รักนั่นจะดาวอังคารไปหยุดที่ดาวคือโตหน่อยดีไหม จะไปคนเดียวเปล่าหัวใจการจะเ อ, อาเ้นทันที่ไม่มีโชว์ ง, งานแก่งคือเพื่อเดินขึ้นลมที่ไหลจะเลเพราะจันจะดยูวงเวงเป็นววงวงไรเทอาไรแสงตะวันแค่อมองตาฉัน l ร s เ e น n ์ walk away จะพาไปมีับไว้ทีมีท้องทะเลแสงเันประกอบไปด้วยมูดาลิโออารีเอชเพราะหยิระยับก็เป็นประกายอยู่ปลาอาณ แต่กวันมีเส้นทางพิเศษที่ฉันไม่เคยได้ไปรอบปลายกับเธอมีแค่เธอคนเดียวเธอนั่งพ่อร้องบทเพลงแล้วนั่งคอเครียดกับการถูกทัดแสนตกระไรไปไปเลยกัน ไม่มีจะไปแล้วใครจะรอลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาล ต้องกัวล น, นาทีนี้วันนี้หรือมาเพราะว่ารถไฟของฉันกัเคื่อนในรักไ่เหมือนเฟอรารฉันแค่อนเฟันรจะบอกฟันดีไม่อยากจะชุดรังเธชื่อมาฮันนี่ฉันจะคอยรักดีไม่เมือนพวกนั้นที่มันไม่รักดีเลยอยาก็แค่เีสักครั้งธเชื่อใจทุกๆคำที่ฉัน จะยังไม่แยกกับเลซนั้น walk away จะพาไปเมลกันเวทีมังคลทะเลซึงมันประกอบไปด้วยดาวเรียวอารีสระยิบระยับเธอเป็นตัวการอยู่ปลายอันแคสที่เจกเขาจากว้อนมีเส้นทางพีแศษที่ฉันไม่เคยได้ไปเพราะไปกับเธอมีกค่เธอคนเดียวฉันนั้นพอรองบาเพลงแล้วนั่งคลอเคลียทการจะัดตกไปไปด้วยกันไหมไป ความจริงเงินโหดไปทิ้งความเศร้าที่กอดไว้เดินแดนไปเธอไปได้กันไหมในบูธี่ระดับเฟอร์กลาสถ้าไม่มีเธอไปแล้วแค่จะ 来，再有<音樂>